ัยอัมไมเยวอาิโยอคาิโกมะโโหนาิรเตมุนา 百年砥砺，创。 ประอคอบ้านผิดไว้เพื่อความต้านอยู่ป เขาทเดมีสามาสัรมยะมีสิของความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียรหายาพุทสติทิศเวสัง ม, มาปติ ชเวทิภูสุขอนิสุามัยพิสุในธรรมวินนี้มีวิปวะสามิ ในวันที่ผ่านมาก็วันที่ศัพท์วันที่ศัพท์วิชาก็เป็นวันที่มีความสําคัญกับกับชาวโลกก็ทางโลกเข้าจะเป็นวันที่สำคับวิชาโลกอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าความสําคัญของชาวโลกก็คือเป็นวันที่พุทธเจ้าได้แสดงให้เห็นว่าเออคนเราเกิดมาเนี่ย มีสิทธิที่จะไม่ทุกข์นะใช่ไัตรงนั้นพระพุทเ้าเองก็เกิดมานะฮะก็เป็นคนแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นเป็นกษัตริ์ก็ตริยเนี้ยแต่หมายถึงว่าการที่พระพุทธเจ้าเอง เ, องเนี้ยก็ตั้งข้อเนะรียกว่าตั้งคําถามกับตัวเองนะใช่ไหมครับว่าเอ๊ะหนทางที่จะไม่ทุกข์เนี้ยมีไหมนะครับอืม ความเกิดไม่ทุกเป็นไปได้ไหมความแก่ไม่ทุกเป็นไปได้ไหมความตายไม่ทุกเป็นไปได้ไหมอะไรอย่าเงี้ยเพราะเป็นอย่างนั้นก็ทําให้พุชาร์เองก็ได้ตามหาคําตอบเนาะและท้ายที่สุดเนี่ยวันที่สามข่าพุชาร์ก็เกิดสองพันหกร้อยปีที่แล้วปีนี้ก็เป็นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าปีนะฮะพุชาร์เองก็ได้ค้นพบวิธีการที่จะทําให้ ตัวเองไม่ทุกในตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรามองนะถึงวันนั้นถึงวันที่พุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้ออกจากวันมาแล้วก็ได้พยายามมีความพยายามนะที่จะหาทางที่จะไม่ทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆ น, น, นะก็อา ร, ราธนาบทบ้าง ดูถ้ากาดดาวบทบ้างนะฮะเป็นฌานบ้างเป็นสมาธิบ้างแต่ว่าก็ไม่พบว่านั่นคือวิธีการที่จะทําให้ตัวเองไม่ทุกข์ก็จนทั้งท้ายสุดเนี่ยก็มาลงที่การธรมานร่างกายตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับบทเรียนที่พระเจ้าเองได้สรุปเอาไว้นอกจากการที่เดินทางนะโดยเส้นทางนั้นคืยเส้นทางนี้อย่าง พุเจ้าเองก็ได้สรุปบทเรียนเอาไว้ว่าวิธีการต่างๆตรงนั้นเนาะก็เป็นวิธีการที่ไม่ใช่แตว่วิธีการที่จะทําให้พ้นทุกข์ได้นเนี่ยก็เป็นวิธีการที่พระอาจารย์โนตก็ได้ผ่านผ่า น, นะานนะพวกเราได้สวดกันก็คืออัญญามัจ ก, ก็คือแปดวิธีการนะผลผา แต่กิธการที่จะทำให้เราเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราเนาะได้ทาตามที่พระเจ้าบอกเนี่ยความไม้ทุกเนี่ยเป็นของเราแน่นอนคือสิ่งที่พระเจ้าเองได้บอกได้สอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะ ท, ทํารรมะที่พระพเจ้าจบอกพระเจ้าสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําได้และที่สําคัญก็คือทุกคนสามารถทําได้และเมื่อทําแล้วเนี่ยก็จะมีผลเป็นความได้ทุกซึ่งตรงนี้เนาะ ก็จะมีส่วนมป็นสองส่วนในกัรนี้คือส่วนที่หนึ่งคือการลงมือทำส่วนที่สองก็คือผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนะัะมีความสําคัญอย่างยิ่งก็คือมีการลงมือทำเนาะแลนะลงมือทํำที่ผูกทางพระเจ้าเองก็ได้ทดลองเนาะทดลองด้วยตัวเองนะทดลองทดลองด้วยตัวเองลงมือทำอดอาหารบ้างอะไรแบบนั้นๆนิบ้าง พระเจ้าเองก็พบว่าวิธีการพวกนั้นอ่ะนะฮะไม่เป็นวิธีการที่ถูกต้องไม่สมควรนะฮะไม่สมควรที่จะทําอย่างหลวงพ่อเฉียนก็เคยเทศให้ฟังนะอย่างว่าอย่างในช่วงวันที่พระพุทธเจ้าเองตั้งใจที่จะแบบปฏิบัติธรรมอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็บรรลุธรรมในคืนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นะ 2,500 กว่าปีที่แล้ว 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยป่าเนี่ยก็คงจะทึบนะเสือช้างนะงเงี้ยวอะไรก็ค ง, คงยยยเยอะแยะไปหมดป้าเล้าป้าหาก็มีเนาะซึ่งสิ่งตา่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เกิดจิตนตนาการยยยยกเยอะแยะไปหมดนะฮะอาจจะมีเสียงกิ่ ง, งไม้ตกประมาณสักลหนึงใช่ไหมฮะบนความมืดเนาะก็ตรงนั้นจิตใจที่หวั่นไหวไป ก็ทําทให้เกิดจินตนาการกับตานานนะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ลูกนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าร้องก็าอาจจะได้นึกถึงเขาเรียกว่าวังเนาะสามฤดูที่มีอยู่นะเหนไหมความสุขที่อยู่ตรงนั้นก็ทําทให้จิตใจที่นั่งอยู่ใต้ต้โนโพก็สั่นไหวไปนะหรือว่าเดี๋ยวใจก็ไปคิดถึงพพาราหุนเนาะเห็นไหม สองคนนั้นแล้วก็ทั that that so like ้งสวยเด็กตัวเล็กๆก็น่ารักหรือเริงแตนนานาหลายสิ่งหลายอย่านะเกิดขึ้นในความคิดเกิดขึ้นในความคิดเกิดขึ้นในความคิดและเมื่อเกิดขึ้นนะความคิดเกิดขึ้นก็ทําให้มีความท้อถอยมีความต้องการมีความเริงแตนนานหลายนี้ซึ่งสิ่งสิ่งต่างๆนานาหลายนี้ก็คือผลที่กระทบจากจิตใจที่เกิดมาจาก ความคิดและจินตนาการนะตรงนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท้าที่สุดนะ้รก็ได้พบว่าทุกเนี่ยก็เกิดมาจากตรงนี้แล้นะครจากความคิดจากการตุ้มแต่งนะฮะอาจจะมีเสือตัวนึงนะฮะเดินเข้ามานะฮะก็อาจจะคิดว่าเออเสือตัวนี้มันจะมาขบกัดหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดเสือมันก็เดินเข้ามาตามทางของมันแล้วมันก็เดินออกไปมันก็ไม่ได้จะมาขบกับอะไรเสียไปทายคิดไปเปล่าเล่านะครับ เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้นะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองเนี่ยนะครับก็ได้สรุปบทเรียนตรงนี้นะว่าสิ่งสัตวา์าานานาหลังนี่แหล ะ, ละคือเป็นสิ่งที่พวกเราเองเวลาที่ปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราเนี่ยควรจะต้องทําป็นยังไงการที่เรามีสติที่จะพิจนารณาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจา้าอาจจะบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองกับสิ่งที่มันมากระทบกับ ความรู้สึกนึคิดของเราที่มันมาทําให้จิตารของเราเนี่ยวุนว่นวายเพราะฉะนั้นถือตรงเนี้ยการสรุปบทเรียนของพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยก็สรุปบทเรียนออกมเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่การเจริญสติหรือการใช้สติที่จะไปพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจากกายของเราจากใจของเราแล้วก็ทุกเนี่ยที่เกิดขึ้นมาจากความคิดของเราตรงนี้เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราจะหาทางวิธียังไงที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นออกมาจากการกลุงแตกตรงนั้นเพราะฉะ น, น, นั้นคือตรงนี้เนาะสติปัฏฐานสี่ที่พระเจ้าได้ให้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ผลลังก็ได้ดำเนินตามแล้วก็ดำเนินตามแล้วก็ให้ผลจริงนะให้ผลจริงก็คือให้ผลกับความที่เราให้ทุกกัน พระเจ้าเองก็ได้สรุปบทเรียนออกมาเป็นเรื่องของทางการสํารวมกายการสํารวมใจมักมีองค์แปดแปดวิธีที่จะทําให้ชีวิตเราไม่ทุกตรงเนี้ยก็เป็นทางเรื่องของก็เรียกว่าการเห็นชอบเนาะการเห็นชอบในเบื้องต้นก็คือตรงเนี้ยเห็นมัน่าทุกเนานะเป็นยังไงพระเจ้าเองก็สรุปเอาไว้ อย่างเวลาที่เราสวดมนต์กันบทสวดมนต์เช้าบทสวดมนต์เย็นเนี่ยก็จะสรุปเอาไว้ว่าทุกเนี่ยมีอยู่สองที่ก็คือทุกที่การกับทุก์ทีท่ใจทุกที่การก็เป็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นปกตินอนอย่างนั้นตรงนั้นก็เป็นทุกของการทุกของใจก็เป็นก็เป็นเรื่องของความปรารถนาสิ่งได้ไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกหรือเรียอต่างานาน า, นานหล่านี้ที่งุดตรงนี้เนาะ สิ่งที่พระเจ้าได้ส่งเอาไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราได้พบเนาะว่าความทุกข์ของเราเกิดขึ้นเนี่ยแ้าเราลองย้อนกลับไปเนะถึงจุดที่เกิดขึ้นของทุกข์ต่นะางๆนานาเรานเนี่ยพระเจ้าก็บอกเอาไว้อย่างครอบคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพวกเรามีสติเนาะที่จะพิจะะารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มองย้อนกลับไปถึงสาเหตุที่เกิดเนีนะ่ย ตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกเนี่ยก็มีจับที่พระเจ้าบอกมีเฉพาะที่กายกับเฉพาะที่ใจของเราเท่านั้นหรือว่าเขียนเนี่ยก็จะบอกว่าไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเองสมัยก่อนเราก็อาจจะโทษน้องลมฟ้าอากาศทำให้เราทุกข์คนนั้นคนนี้ทำให้เราทุกข์เยอะแยะไปหมดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราเมื่อมองออกไปนอกตัวเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ทุกข์ให้กับชีวิตของเราได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าเองได้บอกว่าทุกข์มีอยู่ที่กายมีอยู่ที่ใจและเมื่อคนได้มองกลับเข้ามาได้มีสติคอยที่จะมองกลับเข้ามาการเห็นกายนี้เป็นทุกข์การเห็นใจนี้เป็นทุกข์ด้วยปัญญาตรงนี้ก็เป็นการที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เดินออกจากทุกข์ได้ น, นยายฉะนั้นคือ นี่ก็คือสิ่งที่พวกเราเองได้ถามคำถามว่าทุกเนี่ยเป็นยังไงเรารู้แล้วหรือยังตรงนี้นะจะเป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยก็ต้องทบทวนกันให้ชัดเจนว่าทุกเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่เนาะและสาเหตุของทุกเนี่ยคืออะไรกันหลวงพ่อเทียนนะฮะที่ปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบร้อยปีและหลวงพ่อเทียนก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสมเขียนที่เป็นอาจารย์ของพวกเราอีกทีนะ พวกเราก็เรียกว่าเป็นรุ่นหนาะทิศเนาะหลวงพ่เทียนก็พูดชัดเจนว่าความคิดนี่แหละเป็นตัวสมไทยนะฮะดังนั้นเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยการละความคิดเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยละทุกข์มาได้เพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ครูอาจารย์ได้สรุปบทเรียนเอาไวา้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งสั้นๆเหมือนอย่างที่ พระพุทธเ้าเองเนี่ยได้เคยถามเนาะพระสงสาวกว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับในไม้ในป่าเนาะแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนเนี่ยก็เท่ากับในไม้ในกํามือเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะใบไม้ในกํามือก็คือเรื่องนิดนิดเรื่องเล็กน้อยเรื่องสั้นๆความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้เฉพาะที่ทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ทําให้เราเนี่ยไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นคือตรงนี้ยเนาะ หลวงปู่เทียนถึงได้สรุปเอาไว้เลยไม่ต้องไปหาว่าเหตุของทุกข์เนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ว่าเหตุของทุกข์เนี่ยก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่ความคิดนี่แหละเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยการปฏิบัติธรรมในแนวของหลวงปู่เทียนเนี่ยก็ตรงมาที่ตรงนี้เลยโดยตรงเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้บอกทางรัดทางสร้างให้เราไม่ต้องเที่ยวหาไม่ต้องเสดงว่าไม่ต้องลํา บ, บากที่จะหาปฏิบัติตามเลย ปฏิบัติตามแล้วก็เราก็จะได้ผลตรงนั้นอย่างที่พูดแต่แรกว่าการปฏิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งผลที่เกิดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเราปฏิบัติดีผลเกิดก็เป็นผลที่ดีเหมือนอย่างที่พระเจ้าเองได้บอกเอาไว้ว่าเนาะกรรมใช่ไหมฮะใครทํากรรมดีก็ได้ผลดีใครทํากรรมชั่วก็ได้ผลชั่วกรรดีกรรมชั่วตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นผลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้เนาะว่า ในสิ่งที่คำบอกคำสอนของครมอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นคำบอกคำสอนที่จาแนกแยกแยะวิธีการต่างๆเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยอย่างชัดเจนอย่างมากงมีองค์แต่นี่ก็คือสิ่งที่บอกว่าถ้าเราดนาะดำเนินวิธีการแบบนี้เนี่ยนะการการดำเนินหมายถึงว่าได้ทำให้เกิดมีขึ้นในชีวิตเราการทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่หละก็เป็นสิ่งที่หมายถึงมาก เราก็จะเดินทางคนทุกไปเป็นลําดับเป็นลาดับแต่ถ้าหากว่าพวกเราหยุดเมื่อไหร่หยุดทําเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็อยู่ใกล้ทุกเหมือนเดิมหรือว่าถ้าหาว่าพวกเราไม่ทําก็หมายถึงว่าเราก็ยังเกิดร่วงทุกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคาว่ามั่งหมายถึงว่าการเดินทางของเราการเดินทางของเราหมายถึงว่าเราจะลงมือทำอะไรการพูดก็ดีการคิดก็ดีการทําก็ดี การเลี้ยงชีวิตก็ดีตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้บอกไว้ทั้งหมดเนาะถ้าหากว่าพวกเราไม่อยากทุก่มกันอย่างความคิดของเราอย่างน้อยที่สุดในความคิดของเราก็ต้องมีนะเนะต้องดำรีใชะไห้รับออกจากการให้ได้อย่างนี้นเนาะเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยพวกเราเองนะก็ต้องมีก็เรียกว่าใส่ความคิดอย่างเนี้ยเอาไว้ในตัวเองหรือว่าการพูดก็ดี คำพูดนะั้นที่เป็นคำพูดสองเสียงเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดทําอย่างเป็นคําที่เป็นคำโกหกนะหรือเป็นคําพูดเพิร์เจอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควนเข้าไปข้องแวะถ้าเราไม่ไปคล้องแวะพุกก็ไม่ไม่มาคล้องแวะกับเราเพราะฉะนั้นคือตรงนี้พระเจ้าเองเนี่ยก็เรียกว่าได้บอกอย่างละเอียดนะ เราเองมีไหมที่จะมานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะคำพูดแบบไหนที่เป็นคําพูดสองขีดแต่พอระพุทธเจ้าเองเนี่ยจะเนี่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยเราลองจําแนกแยกแยะดูคําพูดในชีวิตของเราเนาะการที่เราไปกระแนงกระแสใครบ้างการที่เราติดชิ้นนึงทางใคบ้างพวกนั้นก็เป็นคําพูดสองขีดหรือว่าคําที่เป็นคําเป็นคำหยาบเนาะเป็นคําอย่างสิ่งที่พูดออกไปแล้วเนี่ย เราเองเราสบายใจไหมได้กลับมาทบทวนชีวิตเราเนองเห็นไหมพูดคํานี้ออกไปเรารู้สึกเป็นยังไงสิ่งต่างๆาเหล่านี้หลับมาตรวจวัดได้ ท, ทันทีเพราะฉะนั้นคือตรงนี้พระเจ้าเองก็สนุบเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งพวกเราเองจะต้องทําก็คือพวกเราก็ต้องสรุปบทเรียนของตัวเราเองเราทุกไหมเวลาที่เราพูดเนาะสอนเสียดออไปพูดคําได้จริงออกไปพูดเพ้อเจอออกไป วันึงเนี่ยเรามีคำพูดดีๆเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตอีกสี่อีกแปดสิบเปอร์เซ็นตมันก็เป็นเพอร์เชอร์บ้างสอบเสียบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้บ้างเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยถ้าหากกราลองลิกขึ้นหน้าแล้วลองเริจสอบดูเราก็จะจมน้องเขาเรียกว่าจมทนกับการที่สิ่งต่างๆนานาเหล่านี้แหละเป็นภุกระว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เป็นพุกเนี่ยใครจะเป็นผู้อยู่ก็ต้องอยู่ที่ตัวเรา นะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้เนาะครูบาอาจารย์เนี่ยได้บอกเอาไว้เนาะถึงวิธีการนะแล้วก็ถึงวิธีการตรวจสอบผลของความไม่ทุกข์ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยที่ปรากฏขึ้นอยู่ในใจเราหลวงพ่อพุทธทาสเองก็พูดถึงธรรมะนิพพานชิมลองครรมะนิพพานชิมลองตรงนี้ยก็เป็นสิ่งที่ เราจะชิมตรงไหนเนาะก็คือชิมตรงที่จิตใจของเรานะใจของเราสงบสงบจากความโกรธสงบจากความโลภตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่พระจากรพรรดิ์ก็บอกมาตรงนั้นแหละเป็นนิพพานชิมลองเราได้สัมผัสไหมเราได้ชิมไหมถ้าเราได้ชิมแล้วเนี่ยเนาะเราพบมากความสงบที่เรากําลังหาอยู่อาจจะหาอยู่จากการที่ ไม่มีใครอยู่่อนข้างได้มีใครอยู่รอบตัวแต่ท้ายสุดก็เหมือนกับพระเจ้าเองอยู่กลางป่าก็มีอยู่คนเดียวไม่มีใครบุ่นวายแต่ว่าเสียงตีงไม้หักเสียงช้างร้องเสียงเสือร้องเสียงสารนาแบบนี้ก็ทําให้เกิดจิตนตนาการเกิดความคิดมากมายเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนาะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้ดําเนินนะวิถีทางตามที่พระเจ้าเนี่ยได้ปรับเอาไว้แล้วพวกเราเนี่ย ได้พิจารณาตามที่ครูบาอาจารย์เนี่ยไดแนะนำเอาไว้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่มั่นใจนว่าพวกเราเองเนี่ก็จะพบทุกที่เกิดขึ้นเนาะในใจของเราพบทุกที่เกิดขึ้นในกายของเราแล้วก็พบความไม่พบที่เกิดขึ้นในใจของเราได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้เนาะหลวงพ่อเทียหนหลวงพ่อคำเขียนที่เป็นครูบาอาจา ร, ย, รย์ของพวกเราก็ได้ถ่ายทอดวิธีการ วิธีการรับสั้งในการปฏิบัติธรรมที่จะเป็นวิธีการที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เข้าถึงสภาวะที่ไม่พุกเนี่ยได้อย่างที่เรียกว่าอย่างรับสั้นเนาะอย่างรับสั้นก็ไม่ไี้จะพูดคาไหนที่ดีไปกว่านี้ก็คือการทําเนาะอย่างที่การอาศัยกายเครื่องไหวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเจริญสติเนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นก็เรียกว่า เป็นเพื่อต้นนะที่ให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติกันคําพูดของหลวงพ่อเทียนที่กํากับ ก, กับการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้พบว่าสองวันที่หลวงพ่อเทียนได้ทําแบบนี้เนี่ยทําให้หลวงพ่อเทียนเนี่ยเข้าใจทำในสภาวะที่อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าเป็นคารมากหรือพวกเราเนาะหลวงพ่อเทียนเนี่ยได้ตั้งใจงหนูว่าถ้าหากว่าออกจาก บ, บ้านแล้วเนี่ย ถ้าไม่รู้ทาไม่เข้าใจทำเนี่ยจะไม่กลับบ้า น, นเน้อก็จะหาทางเนี่ยจนกว่าจะได้แต่ปรากฏว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ทำจริงแค่สองวันเท่านั้นเองก็งนั่นคือตรงนี้น้องก็เป็นเพียงก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่บอกให้เราว่าถ้าหากว่าทําถูกทางเนาอย่างนั้นเนี่ยความไม่ทุกนะข์นะก็เป็นไปได้แล้วก็สิ่งตรงเนี้หลวงพ่อเทียนเองก็ได้บอกได้สอนมาหนู ไม่ใช know hm ่เฉพาะหลวงพ่อเทียนได้บอกได้สอนมาพุทเจ้าเองก็ได้บอกได้สอนมาสองพันห้าร้อยกว่าปีสองพันหกร้อยปีก็มีคนรู้จักรู้ทำเข้าใจถทำเยอะแยะหมดหลวงพ่เทียนก็เหมือนกันนะลูกศิษหลวงพ่อเทียนเนี่ยที่เป็นทั้งธารว่าเป็นทั้งพระเนอะเป็นทั้งขีเนอะก็แบบว่ามีจํานวนที่เขาเรียกว่ามากมายหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยเคยถามหลวงพ่อเทียนว่า มีคนที่ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยและไม่รู้บ้างมีไมอะไรเงี่ยหลวงพ่อเทียนยืนยันนะบอกไม่มีไม่ดีถ้าหากว่าทําจริงต้องรู้จริงเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเราให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจกันเพราะว่าจัดการที่อาศัยกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะพบว่ามีการที่เคลื่อนไหวมีใจมารับรู้สองเครื่องมืออันนี้นะ ที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นต้นเหตุของทุกทุกอยู่ที่ไหนก็คือที่การกับทุกอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นนี่คือสองเคมือที่เป็นคำแรกนะในการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็คือเมื่อการเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะค่อยๆได้เห็นทุกที่กายทุกที่ใจเนี่ยเปิดเผยขึ้นแล้วก็ตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่การปฏิบัติธรรมก็จะเป็น เรียกว่าของหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนจะยืนยันว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเป็นข่ามกลางแล้วก็เป็นที่สุดซึ่งตรงนี้เองพวกเราในวันนี้ก็ได้ยมีการที่จะให้พระจันโน๊ตเนาะได้มานำในการปฏิบัติธรรมพระจันโน๊ตก็มีประสบการณ์จากการปฏิบัติตรงนี้โดยตรงได้เห็นผลโดยตรงแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ มีประสบการณ์มาโดยตรงได้คําถูกคําผิดมาไดมาบอกมาสอนพวกเราตรงนี้หลวงพ่เขียนจะบอกว่าจะไม่พาหลงทิศพาเพราฉะนั้นก็อยากให้พวกเราเนี้ยได้ตั้งใจเนาะได้ตั้งใจปฏิบัติการแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการนํำคำปฏิบัติเนี้ยไปปฏิบัติแล้วก็พิจารณาว่าเราได้ทําตามคําแนะนําตรงนั้นอะ่ะ อย่างถูกต้องแล้วหรือยังและเมื่อทําตามคําปฏิบัติที่พวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือทําให้คาปฏิบัตินั้ น, เ, นเกิดมีขึ้นในตัวนั้เหมือนอย่างที่พวกเราเองเนีน่อาจจะผ่านชีวิตในวัยเด็กมาผูย้ยหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะบอกเราเ้วบอกว่าพูดให้พร้อมๆนะพูดให้พร้อมๆนะทานะนี้ ก็เป็นคําที่ติดหูพวกเราอยู่แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆบางทีมันก็ไม่อยู่ในใจเราแล้วก็ไม่เป็นเนื้อเป็นตัวของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่กับเพื่อนเราก็อาจจะพูดมือมัาพาววยกันไปเวลาที่อยู่กับผู้ใหญ่ก็ลึกขึ้นได้ก็ออกพูดเขาสักทีหนึ่งจริงกับการนานๆหลงเนี้ยก็ เ, เรียกว่ายังไม่มีในตัวเราแต่ถ้าหากว่ามีอยู่ในตัวเราแล้วเนี้ยเราก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าพยายามดัดแปลงอะไร เา ว, ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวเราเป็นเนื้อเป็นตัวของเราการใช้ออกไปก็เป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้นเราว่าคําสอนของครูบาอาจารย์จะเป็นคําสอนที่ไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเราต้องทําให้มีในตัวเราเมื่อเราทําให้มีในตัวเราพวกเราเองก็จะทุกน้อยลงน้อยลงตามลําดับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านทําให้เห็นเมื่อวานนี้ที่วัดก็ มีการก็เรียกว่าคล้ายๆสัมมนาก็ได้นะฮะหรือว่าคล้ายๆจะเล่าสู่ประสบการณ์กันต่างหลวงพ่อเขียนก็ปรารว่าอยากที่จะให้ลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนเนี่ยที่อยู่กับหลวงพ่อเขียนนานๆหลายๆปีเนี่ยมาได้เล่าสู่ประสบการณ์กันถึงทัศน์สิ่งที่เรียกว่าได้รู้ได้เห็น ได้รับคําสอนแล้วก็ได้ผลจากการที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ได้มีการเล่าสู่ฟังไปตั้งเช้าจนกรทั้งจบเยน็นแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ได้ทําให้ดูตอนที่ท่านจวรณภาพที่สําคัญก็คือทุกๆคนเนี่ยได้บอกตรงกันนะครับว่าการวรณภาพของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นการวรณภาพเพราะมะเร็งในกระเพาะเนาะ ซึ่งมาเ็งในกระเพาะเนี่ยหลวงประเทศก็ผ่านการทําตัดดุลหลายครั้งมากๆนะอาจจะเป็นสามสี่้าครั้งอย่างนะี้แต่ว่าครั้งที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือก่อนหน้าที่หลวงประเทีนจะมาลงพักสองสามวันเท่านั้นเองนะฮะแล้วเมื่อกลับไปที่บัดนิ่งปั่เนี่ยหลวงประเทีนก็นอยู่ได้อีกเพียงแค่สองสามัันเท่านั้นเองแต่ว่า นะตรงนั้นเนี่ยมเาเรียนบรรลสุดท้ายที่หลวงพ่อเทียนบอกกับคนใกล้ๆนะ บ, บอกว่ามีคนถามว่าหลวงพ่อเทียนเจ็บท้องไหม น, นะฮะหลวงพ่อเทียนบอกบอกว่าเคยโดนไฟไหม้ไหมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าในขณะที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าเคยโดนไฟไหม้ไหมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คงเหมือนกันกับที่อาตมาเนาะ บอกกับพวกเราแต่เนี้ยก็คือมันเราไม่ได้มีไฟอยู่ ใ, ใกล้นะเราต้บอกเป็นปกตินะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือตรงเนี้ยผูก็เทียมอาจจะบอกถึงสิ่งที่อยู่ในท้องผมก็เทียมว่ามันร้อนเหมือนกับไฟไนม้แหละแต่ผมก็เทียมก็บอกด้วยอากาศปริยานที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าความเป็นไปทางกายหรือไม่เลยเป็นความเป็นไปทางใจเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดเนี้ย ก็ดึงอย่างใดมาร่างกายของหลเทียนก็อาจจะมีการขยับไปยื่นเคลืนไหวเล็กน้อยๆเป็นปกตินะะอาจจะมีการงอเข่าบ้างอาจจะมีการเอ่อเคลื่อนไหวือบ้างเนาะเห็นไหมนั่นหมายความว่าความที่ในท้องเนี่ยร้อนเหมือนไฟเนี่ยก็หลวงพเทียนก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเนาะร่างกายก็จะแตกออกเพื่อตัวเองนิดหน่อยนะะแล้วก็การจากไป ในลงหายใจสุดท้ายของหลวงเทียนก็เป็นการจากไปหมือนปกติเนอะเหมือนกับคนนอนเล่นๆเนอะแล้วก็หมดลงหายใจไปเพราะนั้นคือตรงเนี้นะว่าการปฏิบัติธรรมที่ผู้บาอาจารย์เนี่ยได้ทําให้เราเห็นว่าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะให้ทุกเนี่ยเราก็ได้เห็นจริงๆแม้ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่าก็เห็นได้จากการที่ลูกศิษย์เนอะที่ใกล้ชิดก็ได้มองเห็นแล้วก็ได้ผ่านทอบมาถึงพวกเรา เพรนั้นนี่คือตรงนีกเนาะชีวิตที่จะได้ทุกเนี่ยพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ทุกคนแล้วก็ที่อา้ารเองเนี่ยได้ทําให้พวกเราเห็นเป็นคนแรกแล้วก็สองพันหกร้อยปีที่ผ่านมาลูกศิษย์ลูกหาที่ทําให้เราได้เห็นเนี่ยได้ยินได้ฟังไม่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ตัวนี้นตัว น, นี้ยังไงก็ตามก็เยอะแยกไปหมดแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเรามาถึงหลวงพเทียนที่เป็นครูบาอาจารย์ของสายเราเนี่ยก็ได้ทําให้ดูหรือให้เห็น ก็ตรงเนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี้ได้ตั้งใจว่าทางนี้แหละเป็นทางที่ไม่หลงที่ปิดทางแต่ว่าหลวเทียนมักจะพูดอยู่เสมอๆว่าให้ทําจริงๆนะตรงเนี้ยนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าทําจริงเราก็ได้จริงเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจตั้งใจดีพระอาจารย์โนบเนี่ยได้มานําพวกเราแล้วแล้วก็ต่างว่ามีอะไรยังไงก็ตางเนี่ย ให้พวกเราเนี่ยทั้งดูนสอบด้วยพวกเราเองดูตัวพวกเราเองเพราะว่าการสอนของหลวงพเทียนเนี่ยก็จะเป็นการสอนที่เน้นให้พวกเราเนี่ยได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตัวเองไม่ได้เพิ่งฟุบาอาจารย์แต่มันสามารถที่จะใช้ก็เรียกว่าวิจารณญาณของตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองไปได้ตามลำสอบตามลำตับเพราะนั้นนั่นคือแม้หลวงพเทียนแม้หนูกพ่อคำเขียนเอง ที่เป็นครูบาอจารย์พวกเรานะก็จะบอกบอกว่าที่วัดป่าสุกโตมไม่มีการสอบอารมณ์มีแเอก็มีแต่ออถ้ามีเอก็หมายความว่าก็ยั้งไม่ก่อนถ้ามีอ้อก็เดินต่อไปเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนาก็เป็นสิ่งที่อย่างญุพวกเราเนี่ยได้เอาใจใส่ทั้งคําสอนของครูบาอาจารย์ด้วยได้เอาใจใส่ทั้งการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นในตัวเราด้วยแล้วก็ได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มีอยู่ในตัวเราแล้วหรื อ, อย่างเนาะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจงกันในวันนี้เนาะงั้นแล้วก็ตั้งใจกันในทุกๆวันหลวงพ่อก็เขยียนบอกก่อนวันที่จะเป็นวันที่สำนั้นไม่ใช่บอกก่อนวันเช้าวันที่เป็นวันที่สำขัญนี่แหละหลวก็เขียนบอกว่าวันนี้เนาะเป็นวันเกิดเนาะของพุทธเจ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ขอให้เป็นวันที่พวกเราเนี่ย ตั้งต้นตั้งใจงปฏิบัติทำกันตั้งแต่วันนี้ต้นต้นไปเลยนะแล้วก็หลวงพ่อเขียนที่วัดป่าสุกระโตนนะตอนนี้นะฮะก็หลวงพ่อก็จะไม่ได้พักที่กรุนะหลวงพ่อก็ออกเป็นพักซี่เต็นนะฮะแล้วก็ตั้งใจงปฏิบัติทำแล้วก็ตั้งใจที่จะเหมือนกับชวนพวกเราเนี่ยทุกคนนะให้ตื่นตัวที่จะปฏิบัติทำกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็พวกเรามาจากวัดปาาสุขโตนกัน ก็จะชวนกันกับพวกเราันก็อนุโมทนากับความตั้งใจดีของพวกเรานะที่บรรลุก็ยังพาตัวมาทำธรรมพาตัวมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้โอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะพายพวกเราเนี่ยได้ถึงซึ่งความไม่ทุกข์ทั่วกันทุกๆคนการเงินก็จะ เพเกลียกสองอย่างแต่นี่คือสำหรับคนนี้นะร้อนเพราะว่าเียดเป็นคนจริงนะแล้วก็เป็นคนซื่อจริงแล้วก็ซื่อเป็นคุณธมบัติที่เมาว่าเป็นคุณธรรมบัติที่สําคัญของผู้บริสุทิครับคือตั้งใจคําจริงแต่ไม่ใช่แบนะบเค่งเครียดนะจริงกับเคร่งเครียดต้องต้องแยกจักกาันเหมือนอย่างบางทีบางคนเข้าใจผิดก็ว่ า, วาทำความเกียด ก็ต้องขยันแต่ตรงทีพอเราบอกว่าให้ความสบายคนเขาที่ให้ขยันกับสบายมันเหมือนขัดแย้งกันกับเราบ้างนะแต่เราได้อ่านใช่ไหมบทความเพียรชอบมาโครที่หกแน่ความเพียรชอบท่านไม่ไดบอกว่าขยันในเรื่องแบบทําหานฐานขั้นแต่ขยันอะไรขยันในการละอุปสนขยันในการนา่งอุปสนเนี่ยพอเราละ ระอุผลสร้างอุผลนนี่คือความขยันที่แท้จริงใช่ไหมไม่ใช่เดินเท้าแฝงยกมือจะปวดแขนอย่างเดียวแค่นะั้นอันนั้นนะนี่คือความขยันถ้าเราสำแบสบายแล้วก็ขยันด้วยนี่คือความเกียรที่ถูกต้องความซื่อนะความซื่อก็เป็น บ, บุญบยรยงที่สําคัญนะซื่อสัตย์ตัวเองนะไม่หลอกตัวเองไม่หลอกคนอื่นอันนะี้ความซื่อสัตนยะ์ตนี้ซื่อในการที่จะดู ดูกายดูใจของเราที่เฉยๆหรือที่จริงซื่อในการที่จะรู้ซื่อเคยได้ยินไหมรู้ซื่อรู้เฉยๆภาษาอีการับรู้นะซื่อรู้ซื่อหคือรู้เฉยรู้แล้วรู้สึกว่าอิสิ่งที่ถูกรู้มันก็เป็นตัวนมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่อากาศเรารู้แต่คนส่วนใหญ่รู้แล้วอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบ เฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆแค่ น, นี้นะเราก็เข้ามาเสริมกับพอยัญชนที่ไในมันใหญ่ทำถึงพว ก, กเราทำเนา ะ, นะทำจริงนะวันนี้พว ก, กเราทําริงยกมือกันสองครั้งแล้ววันนี้เราทําริงเตือนใจเคยปฏิบัติมีใครยังไม่เตยปฏิบัติไหมก็ไม่ไม่มากนะแนะนําปฏิบัตินะ นั่งสบายๆลงนะเด็กในน้อยหนูน้อยมาสามครั้งดีใจมากทำใจเด็กๆก็ดีลูกนั่งสบายนะนั่งสบายๆทำจริงๆแต่ทาให้สบายด้วยทำอีกแบบสบายสบายไหมปังเกียดใจเราสบายไหมหรือัดไัม บอกจะปฏิบัติาบางทีเกิดปัดบางทีไม่สบายแล้วกายสบายไหมนะบางทีไม่สบายก็ร่างกายโรคภัยไม่เป็นไรแต่ขอให้พยายามผ่อนคลายเมื่อทีเกิดเท่าที่ทำได้แค่นี้พอนะอะายใจสบายลืมตาสบายนะลืมตาบางคนบอกหลับตาสบายกว่าลืมตามแต่อย่าเลยนะอ่หลักตลอดเวลานี่ยมันไม่ได้นะบางทีก็หลับ บางทีก็ดอนะเราลองสึกในการดูดตานะดูดตาสบายอันนี้เราจะรู้สึกที่การเคลื่อนไหวเอาง่ายๆการเคลื่อนไหวที่แขนการเคลื่อนไหวที่มือที่จริงมันมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างลมหายใจก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาะอตรมกระทบสัมผัสก็เป็นการเคลื่อนไหวกระชิบตาอ้าปากเป็นการเคลื่อนไหวแต่นี้บางทีมันเคลื่อนไหวแถาแถวหรือ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราก็เลยเริม่มต้นจากการเคลื่อนไหแบบสัดยาแนะบนเนาะวางไว้ทีห่หองเขา่าทั้งสองข้างนะวางไว้สบายๆทีนี้นะ้ำกมือขวาจะแคงขึ้นนะตะแคงตะแคงไว้รู้สึกตัวนะยกมือขวาขึ้นก็รู้สึกตัวมือขวาเรามาที่หน้าท้องรู้สึกตกมือซ้ายจะแคงรู้สึกยกขึ้นรู้สึก วางทับมือขวามือขวาเลื่อนขึ้นหน้าอกให้รู้สึกย่ออกข้างข้ารู้สึกตัวตั้งไว้หมอนเขา่ารู้สึกตัวพับลงรู้สึกเหมือซ้าเลื่อนขึ้นนะรู้สึกนะยกออกข้างข้าตั้งไว้หมองเขา่าพับลงสิบสี่ 14, จังหวัดสิบสี่ท่ารู้ทีละครั้งนะจำไวนะ้นะน่รู้ทีละครั้งเคลื่อนรู้ หยุดรู้แต่ใหม่ๆที่จะมาจะบอกว่าบางทีเ อ, า, อาง่ายๆก่อนผู้ใหม่เอาเฉพาะรู้ก่อนเพื่อนก่อนก็นกนกนได้นะแต่ถ้าคนเก่าหรือคนที่จะมาแล้เพื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะนะอ่ะอลองพร้อมกันใหม่นะหรือคนที่เป็นแล้วเอาเลยก็ได้นะเอาเองก็ได้นะินดนะึงความรับแคลรู้สึกนะยกขึ้นหังวัที่หน้าท้อง ปิมือซ้ายตะแคงตั้งไว้นะยกขึ้นวางทับมือขวามือขวาเลื่อนขึ้นหน้าอกอยกออกข้างข้าตั้งไว้หมองเขา่าคว่ำลงมือซ้ายเลื่อนขึ้นหน้าอกอยกออกข้างข้างตั้งไว้หมองเ ข, ข่าคว่ำลงปิดมือมขวาตะแคงขึ้นยกขึ้นวางไว้ที่ทหน้าท้องปิดมือซ้ายยกขึ้น วางทับมือขวามันขวาเล่นขึ้นย่อออกข้างข้างจาไว้หวเขา่าความหลบมือซ้ายเลื่อนขึ้นย่อออกข้างข้างจาไว้หัวเขา่าความหลบทาไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องช้ามากนะลองทำดูนะทาไม่ได้ถูเข้าใจดูลังทำดู ตาไม่ต้องกง้มตา่มมากนะไม่ต้องปิดตามองพ่อใส่ตาต่งนิดนึงหรือว่าจะมองตรงๆแต่ถ้ามันง่วงมันให้เกินไปก็มองให้มันแบบหาที่โลง่งๆดูบางทีมองคนแล้วมันอึดอัดแค่เห็นผมก็มอึดอัดแล้วก็ มองเลยหัวคนไปเลยนะแต่มองแต่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งเห็นนะจะเห็นอะไรก็แะแต่ก็ก็สักแต่ว่าเห็นแต่ให้ใจมันเด็นอีการรับรู้กา ร, รกเคลื่อนไหวนะอย่างอื่นเราไม่ที่ปิดจะเป็นตาเป็นหูเป็นภาพได้ยินเสียง กายมีการเคลื่อนไหว อ, อีเหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันเด่นที่ใจที่มันรู้ถึงการเคลื่อนไหวรู้ถึงการหยุดรู้ถึงการเคลื่อนรู้ถึงการหยุดลังทำความรู้สึกตรงนี้กันเนาะเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจ พยายามรู้ทุกคำพยายามรู้ให้มากที่สุดพอใจเผลอทิดไปแค่รู้ว่าใจเราเผลอออกไปจากการรู้กายนะแค่นี้พอนะแล้ว ก, ก็กลับมารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวใหม่ให้ทำตรงนี้ก่อน้งคัญ น, น, นะเพราะว่าส่วนใหญ่นะสำหรับผู้เริ่มใหม่นะอยู่หลายคน ทีถ้าไปดูความคิดนะมันจะลงกับความคิดซะมากกว่าแต่ถ้ากลับมาดูกายมันก็ค่อนข้างปลอดภัยแต่ตําระวังไม่เพ่งไม่จ้อไงไม่บังคับเอาไว้เหมือนกันนะเพราะวินัาณจะเป็นการบังคับนะหรือเป็นการจัจอห้ามความคิดก็ไม่ถูกคนะืองานหลักคือการดูกายที่เคลื่อนไหว แต่พอเป็นเผอคิดไปให้รู้ทันแล้วก็กลับมาดูกายที่เลื่อนวันใหม่ทำไน้ไหมลองทําดูแม่ตอนนี้ี่คิดสงสัยก็วางความสงสัยไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งคิดจะเข้าใจไปในแค่ปิดนาทีที่ลองทํานะมันจะรัดเกินไป ก็คงสิบสี่จังหวัดด้วยดีนะนีจะบักเคลื่อนนี่จะบัดหยุดเคลื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกใจเหอไปก็รู้ทันทำจริงๆทำตรงไี้นะทำบ่อยๆ มันจะเห็นนะไบที่เป็นสอนธรรมะนะไม่ใช่พระเป็นผู้สอนธรรมะที่ดีแต่กายและใจเรานีแ่แหละมันสอนธรรมะของจริงเลยนะพระสอนไปเดี๋ยวก็มีโ ย, วยมวันครูบาอาจารย์ไหนไม่แตู่จะเจ้าก็หมือนกันไม่มีใครจำทุกคำพูดใจหรับนะแต่ธรรมะที่กายและใจสอนมันนะเนมะื่อมันเห็น ความจรนะมันจำตังนั้นได้จากในวิดีโอมีเป็นสมพัฒเทียนสอนการปฏิบัติทั้งแต่สมัยที่สมพัฒน์เทียนมีชีวิตอยู่ก็เในเรื่องของการยกมือ กางจับตาหรือการเดินจงกลมที่ถึงพวกเราก็จะเรียมรู้กันตรงนี้เนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับให้ฝวังหน้าหวังตาตามสบายสบายเนหวังกายสบาสบายตาเนี่ยที่สําคัญเนาะของทางสายหลวงพ่อเทียเนี่ยก็หลวงพ่อเทียนจะเน้นมากไม่ต้องดับตาไม่ต้องหลับตาแต่ว่าให้มองกว้างๆแก่ใจ ว่าตรงนี้เนี่ยันก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ก็แนะนําไป้อย่างที่เช่นการหลับตาก็ชีวิตเราจะทำนั่นทำนี่ก็ไม่หลับตากันมีบางสิ่งที่เรากาลังทำตอนนี้ก็คือการทํางานเนาะการทํางานที่จะมีผลเป็ปเปความไม้ทูกเนี่ยจะนั้นก็คือตรงนี้ก็เป็นการทํางานอย่างนี้นก็หลับตาเป็นปกติที่หลับแต่บางสิ่งที่เป็นปกติก็คือการที่เรา ใช้ตาตรงนี้ยเมื่อก่อนอาจจะเคยมองไปแล้วก็เจอทุกเจอสุกในใจเราอย่างที่เราไม่เคยสังเกตแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะคอยกลับมาสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้เราเป็นสิ่งที่เราก็เริ่มต้นจากตรงนี้นะจากการเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้จากการที่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ตรงนี้เองเนี่ยเรา จะเป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ยที่การใช้สตนะิเนาะเป็นการเรนะิ่มต้นวเมื่อมีการเคลื่อนไหวอย่างที่อาจารย์เลบอกว่าเราจากที่ความเคลื่อนไหวก่นนะอนเนาะเพิ่งจับที่การอยู่นั่นคือในการเคลื่อนไหวของกายเราเอาใจเราคอยรับรู้การสว่วนหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ใจที่คอยรับนี้เป็นสว่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนะาะก็เรียกว่าเราจะดูตั้งแต่แรก แต่ว่าเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยตาแต่ตอนนี้เยเราจะดูด้วยสติดูกายที่เคลื่อนไหวก็คือดูผ่านความรู้สึกตัวซึ่งความรู้สึกตัวตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุญแจหลักๆที่หลงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะบอกเอาไว้บอกว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหลวงพ่อเยนจะบอกว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่มันรู้สึกตัว ไม่วนะ่าในจะเกิดขึ้นหรนืตายกลับมารู้สึกตัวไปก่อนนี่นั่คือตรงเนี้เราก็เป็นสิ่งที่ให้เรากลับได้หลังเลือกว่าณตอนเนี้ยเราเ ร, ก า, นะนนเรากลังผ่ า, า, าที่จะดูเราการเคลื่อนไหวของการผ่านสิ่งที่เราเป็นว่างความรู้สึกตัวหรือจะผ่านสิ่งที่เราเป็นร่างมีสติมีสติคอยเรียนรู้ก็ได้เพราฉะนั้นคือตรงเนี้เราเราหว่างหาวัง ก็ระเด็นบอกให้มองเกลมองไกลจะมองไม่ได้หารายละเอียดที่อื่นแต่เรามาหารายละเอียดที่ความรู้สึกตัวของมันรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของการมันคือตรงเนี้น้องตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่หารายละเอียดจากตาดวงตาที่เราใช้มาตั้งแต่เด็กแต่เราหลังเราจะ มากนไวรู้นะรู้กายที่เคลื่อนนะรู้ไม่ได้อยู่นะโอเคนะรู้กับอยู่ต่างกันนะอยู่คือการที่เราส่งใจอยู่ที่มือที่แขนมีไหมหรือบางทีก็ไปบางทีก็รู้บางทีก็อยู่ใช่ไหมบางทีก็ส่งไปเท่งไปบงังคับ แต่บางทีก็รู้อยู่ต่างหากนะค่อยสังเกตไม่ใช่ว่าคิดอยูถ่ถูแต่คอยดูอย่างที่มันเป็นจริงๆอ๋อเห็นแม้ ว, วันทีเราประสนใจไปอยู่ที่มือที่แขนบางทีก็อยู่ต่างหากใจนะใจมันิน่งนะความนิ่งไม่ใช่ว่าการไม่คิดแต่นิ่งอ๋อมันตั้งมั่นความตั้งมั่นหมายถือว่า ไม่วอกแวกนะแม่วอกแวกก็ไปไวินาสักันนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนะแต่ความตั้งมั่นไปถึงว่ามันมีระดักอ๋อระดักคือการกลับมารู้ตัวเองกลับมารู้ตัวนี่คือความตั้งมั่นนะคือการที่มันจําะดับได้ระักที่เราจะทําคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่คือความตั้งมั่นของจัวง มันมีที่กลับมามันมีหลักเนี่ยกลับมาทานไปช่วยนะในรูปแบบไปเ่วยแบบนี้เยอะนะการที่จิตมันมีหลักเนี่ยกลับมานี่คือความตั้งมั่นอนะเราพยายามทำเนี่ยนะแต่กระทำเราฝึกกระท่านแม้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบจิตมันก็ตั้งมัน่นในการที่จะกลับมาดูกายรู้ใจนะตก็เองเนี่ยการตั้งมัน่นของจิตคือแบบนี้นะอยังไงตอนนี้ ปวดขาไหมปวดใจไหมอืมปวดร้อนนี่คือปวดใช่ไหะปวดเมื่อยยืดยุ <c oughs> ้งม <c oughs> ีไหมความปวดขากับความทุกข์ใจมันอยู่ด้วยกันหรือว่ามันแยกจากกันแยกกันจริงอ่ะ นะสั <_ an> เาางเกตสองสาวคนนี้ปวดขาทุกใจนะ เ, เปลี่ยนหลาคันแล้วอไม่ได้ ด, ด้วยคนดีบางทีมันทุกขสักเดียวแล้วสังเกตไหมตอนที่มันปวดมากๆจะสังเกตไหมตอนนั้นมันมีดีดีความทุกใจมากขึ้นแต่พอเปลี่ยนมาแล้วอ้อความดีดีความทุกใจก็น้อยลงนะบางทีมันก็สัมพันธ์กันแต่เราก็เห็น ไม่ใช่ว่าจะคือใหม่ๆมันคงแยกจากกันไม่ได้เด็ดขาดเดียวหมันมาเชื่องนั้นนะใหม่ๆมันสำคัญกันอยู่แต่ถ้าเราฝสังเกตว่าไอ้ที่ว่าแม้มันสัำคัญอยู่ทีไปด้วยกันแต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะมันก็มีเดี๋ยวมันก็มากเดี๋ยวมันก็น้อยเดี๋ยวมันก็ไม่มีเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอันนี้คือการเถึนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกายกลบใจของเราเนาะค่อยสังเกตไม่ถามมันเนี้ยคําถามนี้นะ ตอนนี้จะมาถามโยมแต่ต่อไปสติมีจะกลับมาถามเราเองเพราะตอนนี้ตายหรือสุขอย่างไรใจรู้สุขอย่างไรอาการปวดเกิดขึ้นเราเห็นอาการปวดเกิดขึ้นกับขากับกายมันจะกลับมาดูเลยว่าใจเราตั้งมั่นหรือว่าใจเราไปทุกขกับกายมันกลับมาถามแต่ไม่ถามแบบกังวลใจนะใช่ไหมเป็นการตัวเตือนใหกลับมาดูตัวเตือนเองให้กลับมาดูเลยเองนะ มันอาจจะไม่เรียกว่าคำถามมันจะไม่ถูกแต่เรียกว่าเป็นตัวที่เรียกว่าค่อยจะเลืดูปรับมารู้ตัวเองจ ะ, นะนี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ค่อยสังเกตเองลอยๆกันไปนะ <c oughs> อาการเดินขึ้นเกี่ยวกับกายกับใจเรารู้นะรู้ตัวหรือเปล่านะตสังเกตดูเดี๋ยเราเปลี่ยนเรียบทนะเปลี่ยนเรียบท ช่วยนะซน่งกายนะกายต้องมาใส่ตัวช่วยเยอะๆเลยนะชื่อกาย่ะเข็บนหนังสือทำบัตรไวก่นแล้วกันนะห น, นังสือทำบั ก่อ่าเมตั้งแถวที่เนอ่าขึ้ลุกค่อยๆลุกอ่าจับจับลงให่หนึจับแล้วก็จับใบสะเก็ดหรือว่าปล่อยลุงใหม่ก็ได้ใบสะเก็ดเข้าแถว้รรมดาแล้วัแต่เรสองําคนนะ แล้วสองสามคนตอนไหนเกินจะสี่ต้องไม่เอานะอ่ามีมันเรี่ว่าพออย่างแล้สามคนสองคนยืนตอนนี้ยืนเยื่รู้สึกียที่ไหนต้นแหนมันเต็นขาืมเด็กิริงไหม มันอยู่ตลอดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทันเกต น, นะความเปลี่ยนบงทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเรายืนอยู่ต่อาจจะเด่นที่เท้าตอนนี้นะแต่บางทีบางทีบางคนแอร์มาสัมผัสถูกเย็น<ม>ความเย็นคุณโยบุญชายแอดเย็นไหมส<ม><ะ> บ, บายส บ, บา ย, บบายรู้ได้เนาะ ตอนที่รู้ว่าแอบเย็นสบายสบายตอนนั้นรู้ที่เท้าไหมอ่าเห็นไหมสังเกตไหมความรู้สึกของเรามันจะรู้เด่นไปทีแะตัวสลับกันไปสลับกันมานั้นไม่ต้องสนใจถ้าใจมันไม่อยู่ที่เดียวมันไม่ตั้งมั่นอยู่กับการเดินบางทีก็คิดบางทีก็รู้สึกอย่างอื่นไม่แปลกนะแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเรารู้มันตรงนั้นแค่นี้พอนะ ไอ้ต like ั้งกังวลทำไมเราคิดมากทำไมมันไม่สงบทำไมไม่รู้ต่อเนื่องความต่อเนื่องคือการดูทันอาการของกายและของใจโดยไม่ได้เลือกว่าจะรู้อย่างเดียวนะความตออเนื่องความตั้งนั้นไม่ใช่ว่ารู้อย่างเดียวแต่รู้อะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจจะตามจากการทาสมาธิการทําสมาธิีจะรู้อารมณ์เดียวแล้วก็จบหรือแค่อยู่กับสิ่งเดียว แต่สมาสมาธินะที่เราได้สวนดไหมไม่ได้สวดรนเดียวมีอาการปีกีอาการสุขอาการเรียกว่าวิตกวิจารแต่เปลียยนต่างค่อยๆลดลงแล้วก็มงบในทางจิตมันกาลายเป็นภูเบคาอาการสมาธิจริง ม, มีหลายอย่างประกบอบกันอแต่มันค่อยๆลดลงไหมก็ตรงไหมแล้วก็เหลือเพียงแค่เอกสัพทายจิตจิตหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้น่ะอ่ะ ลองดูนะเอ ย, ย่างเท้าอยู่กับที่ก็ได้นะสังเกตย่างท้าอยู่กับที่สบายๆมือเก็บไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ <_ d ream> กลมหน้าทําไมไมือมน้าสังกเกตนะบ <_ d ream> างทีเราก็ทุ่มถามได้องนะบางทีเราก็ทําแบบไม่รู้ตัวนะพคนั้นก็กลมหน้าทันทีหรือคนก็หลับตาทันทีเป็นดื้อกลายเป็นอัตโนมัติของเรา แต่ไม่ใช่เพอกว่าก้มหน้ากินนะอันที่ถ้าเรารู้ว่าบางทีก้มหน้าเพราะอะไรงีอยู่ข้งนอกางทีก้มหน้าก็แพ้แสบอาจจะเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนได้แต่บางทีบางทีเราก้มหน้าเพราะว่าเราไม่อยากเห็นทำไมไม่อยากเห็นกลัวมันฟุ้งซ่านมันมีความมันจะมีอะไรนี่ที่แฝงอยู่จากกิริยาอากางภายนอกมีความไม่อยากเกิดขึ้น ทีก็มันก็แตงความอยากอยากจากนะสงบมันไม่ง่าให้เห็นนะเนี่ยอ๋อ ม, มันจะค่อยๆย้ อ, อมเห็นอะไรเรียกว่าตัวบงการการกระทําบงการจิตใจว่าเดิน อ, อยู่กับที่แบบนี้ น, ะร น, ะ, นะรู้สึกอ้ใหม่มันจะแนะนําว่ารู้สึกส้นเท้าสัมผัสพื้นอก็ได้แต่ให้ใจอยู่กับงหากนะไม่สนใจเล ย, ยที่เท้าไม่สนใจเล ย, ยที่ขา ใ, ใจเใป็คนค่คอยรู้เวลาสัมผัสเกิดขึ้นนะเบื้องต้นก็สัมผัสก่อนก็ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะน้อยเกินไปนะเอามาเพราะวิธีเดินแบบหลงก่อเทียนเดินไม่ช้าเกินไปนะั้นพอเดินปุ๊บปลายสัมผัสขวาก็สัมผัสต่อทันทีไม่นานเดินไปใหม่ๆเกาสัมผัสพื้นก่อนก็ได้ถ้าเสกทีต่ต่อมันจะรู้ตอนสัมผัสตอนยกขึ้นนะ สัมผัสยกขึ้นนะแบบนี้ก็ได้นะแต่เทคนิีแบบของพระที่ก็ไม่ต้องพูดในใจคำว่าพูดในใจคือพวกเราจะคุ้นคำว่าบริกรรมรอะไรไหมนะไม่ต้องบริกรรมในใจนะก็คือไม่ต้องไปคิดพูดในใจแค่รู้สึกน ะ, อะลองทําโดูนะเดีเ๋ยวดูพระอาจารย์ท่านเดินกลับไปกลับมาหลายคนทําได้แล้วนะเดินสบายๆนะ ความช้าความเร็วพอดีพอดีพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรความพอดีคือรู้สึกตัวได้รู้ทันการู้ทันใจได้แม้จะเผลอไปบ้างก็กลับมาได้ที่ น, นี่คือความพอดีพอดีของเราอาจจะไม่เท่ากับอื่นพอดีของตัวเองในแต่ละเวลาก็อาจจะไม่เท่ากัน แต่ถ้ามันจิตมันเริ่มเป็นปกติมากขึ้นความพอดีในจังหวะมันก็จะค่อยๆสบับเสมอขึ้นนะเดินมานแล้วก็ตัดตัวสบายๆแบบไม่แจ่มตึ้นกลับกลับสบายๆนะไม่ต้องกลัวมันหลงมีการเดินช้าเพราะว่ากลัวหลงก็มีนะ เวลากลับตัวแล้วเพื่อนอาจจะยังไม่กลับเราก็เดินย่ำเท้าปรอเพื่อนนะเป็นการฝึกสติอย่างต่อเ น, นื่องนะเดินย่ำเท้ารอเพื่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะสัมผัสนิ้วมือเบาๆเม่อเรามาหยุดสัมผัสนิ้วมือเบาๆให้เป็นจังหวะในการเคลื่อนแล้วก็รู้ก็ได้เหมือนกันหรือส้างการเคลื่อนไหวสักอย่างหนึ่ง ให้จิดมันมีเครื่องมีเครื่องรู้นะมีเคื่อมอยู่ดูสังเกตนะปสาษาล้วแบบไหนก็ดีนะบางทีนะคนปล่อยแขนสุดๆก็ดีบางคนเอาไว้ที่หน้าท้องก็ดีนะก็แล้วแต่บางคนปล่อย สัเกดูนะพอดีตัวเองไหมหมดไม่เกรงหรือบางคนปล่อยและสบายดีอย่า ง, างาแี้ก็ได้แต่แล้วแต่บางช่วได้แล้วแต่แต่อยากให้เรีวยกว่ า, ค, วาคําขอบคุ้นเคยคํามรู้จักกับวาพอดีที่เป็นม า, าน ต, ตรฐานของตัวเองก่อนแต่ถ้ามันมีอาการอารมณ์ที่มันไม่ปกติแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลง ไปจากมาตรฐานที่เรามีก็ไม่ใช่ว่ามาตรฐานจะต้องทำตลอดเวลาเช่นเดินจังหวะนี้พอดีนะก้มหน้าขนาดนี้พอดีแต่ไม่ใช่แบบไม่ต้องทำแบบนั้นตลอดเวลานะความพอดีคือการปรับตามสถานการณ์ตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นมันมั่วก็จจะเดินเร็วก็ได้มันร่วงก็มองไปกไกลๆก็ได้ แต่กว่ามันคิดมากก็ตั้งใจเลยถ้ารู้สึกการสัมผัสชัดขึ้นแบวนี้กระดับนะนี่คือของพอดีก็คือก็พอดีที่จะรู้ทันอาการของกายก็อพอดีในการที่จะรู้ทันความคิดที่มันเผลอไปหยุบพ่อพลิกมือกระดับ เราเดินไม่ได้แล้วก็คลิกมือ เ, เดินจงกรมเหมือนกันอาจารย์คําพลก็นอนพิกมือแล้วแล้วก็สอนคนเดินจงกลม <c oughs> เดินไม่ได้นะเดินจงกมไม่เป็นเดินไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเดินไม่เป็น <c oughs> เดินเป็นนะแต่แค่เดินไม่ได้ไม่มีกำลังจะเดินแต่เราหลายคนเดินได้แต่เดินไม่เป็น เดินไปนั่นมานี่ได้แต่เดินไม่เป็นเดินไม่ถูกไม่ใช่ไม่ไม่ถูกที่ถูกทานนะไม่ถูกเป้าหมายในการฝึกเดินไปคิดไปเดินไปจมกับอารมณ์นะหรือว่าเดินไปเพ่งบังคับคิดไว้ไ เดินไม่เป็นนะเดินเป็นก็คือเดินแล้วรู้ทันเดินเดินแล้วรู้ทันใจที่เผลอไปเดินก็เห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในแต่ไม่ต้องสงสัยนะแต่ให้เห็นข้างนอกข้างในพร้อมกันตาเห็นข้างนอกรู้ข้างนอกแต่ตัวรู้ ตัวเองด้วยเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในคนเ่นใหญ่เห็นแต่ข้างนอกเห็นแต่สิ่งที่ตาเห็นหรือว่าได้ยินแต่สิ่งที่หูได้ยินหรือนักปฏิวัติทำบังคน <c oughs> ตั้งใจจนไปก็เห็นแต่ข้างในเพ่งแต่ข้างในไม่ให้อะลมันออกไปเลยนะ <c oughs> เห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างใน ใจเป็นปกติหรือไม่ปกติก็รู้ แต่ไิ้งก้า ที่ไม่ถนัถดตัวใจจะได้แก่ใจไปใช่ไหมนั่งเนานะไปยืนก่อนนะยืนก็ค่อยก็ไม่ผิดหรอกเมื่อกี้มาบอกให้นั่ง <c oughs> แต่บางคนเตือนไว้บางทีเรา <c oughs> เดินแล้วต้องนั่งทันทีบางทีมัน เร็วเป็นไป้ก็ค่อยเปลี่ยนเรียบที่เล็กที่น้อยนะค่อยๆแต่ไม่ใช่ย่อมนักหนะธรรมดาสบายๆแต่ให้รู้อ่ให้รู้ว่ามันมีเรียบทที่ที่มันแบบมันคือคือมันต้องกลายเป็นการเปลี่ยนผ่านเรารู้จักพระอานนท์ไหมพระอานนอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าท่านเดิมเจ้กรม ถามรูงหางคำ่ำนั่งส ม, มาธิถามว่าพรุ่งนี่เช้านี่เขาจะสังส่งคันสั่งขยนาพระไตรปิดกครั้งแรกที่จริงตอนนี้นแม่เรี้ยกพระไตปิฎกสั่งขยนาคํำสอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระวินยัยมีพระอรหันต์499องค์แล้วคัดสรรมาที่จริงมีมากกว่านั้นแต่คัดสรรเฉพาะองค์ที่ ว่าเก่งๆเด่นๆในแต่ละด้านได้ฟังบทสูตรคําสอนพุทธเจ้าเยอะแต่จุดจังพระวินัยไว้มากหลงการศิลปะเจตาแต่เหลือพระอนุนี่แหละยังมีพระอรหัรแต่ได้ยินได้ฟังมาอมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่านชอบจํำจําเก่งจริงไม่ไี้ชอบจําจําเก่งคุณวุทธเจ้าอยู่ใครโดยจำโดยท่ากันมาก พอนนในขณะที่ทําความเขียนมากกระพ้ิบทำมามางแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไงหรอกนะยืนหรือนั่งเตียงเองกายลงไปนะยืนก่อนที่จะนั่งลงที่เตียงตลอดเองกายลงไปนั่งเพื่อจะนอนบรรลธรรมตอนนั้นนะนะจังหวะที่เปลี่ยนผ่านแล้วเราก็าเาขาดสติไปบางทีถ้าพลาดนน เฝอสติก่อนที่เปลี่ยนกายอยูาสะสมความเคลียนต่อเนื่องก็จะนอนนั่งอร์ไม่ปฏิบัติเอลืมไปเล ย, เลยจะนั่งจะนอนไม่สนใจเลยแต่ถ้าจำนนท่านตั้งใจต่อนเนื่อแม้สิ้นียาบทนะเดินอยู่ก็รู้สึกตัวนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวแต่มันยังไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรแต่ขณะที่จะเปเลียยยย่ยนียาบทเองหยุดยืนอยู่หน้าเตียงวะท่านคงหยุดยืนก่อน ท่านคงไม่ได้นอนยุด ย, ยืนก่อนอดำรงสติตั้งมั่นว่าจะตั้งใจจะนอนตอน่อไปครก็อาจจะเตียงกายลงนั่งเพื่อจะนอนท่านรู้สึกตัวสบายคลงตอนนั้นันรลุธรรมตอนเองกายใช่ไหมเนื้อการปีญญาปุโรหิตก็สําคัญนะอ่าก็ยันไว้นะอืแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำเป็นเกรงนะทำเป็นเก่งเสมอแต่นั่นเป็นธรรมชาติให้พอดีพอดีนะแต่ก็ให้ ความสำคัญกับทุกการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหวจะทำอะไรก็แบ้มีความสำคัญเท่ากันเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไหวอย่างอื่นที่สิ่งค่าเท่ากันจบค่าเท่ากันนะไม่ใช่ตั้งใจทำแต่ตอนที่ในรูปแบบนอกรูปแบบก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งใจกันนะตั้งใจแต่ก็ต้องวางใจให้พอดีนะวางตั้งใจ กับการวางใจที่เป็นปกติก็เป็นผลประกอบรูจ้จักหรือว่าใครเคยตั้งใจเดินไปไหมไหมนักปฏิบาาัติธรรมต่อตตั้งใจเดินไปแล้วเป็นยังสงคนณดูยังไงถ้าตั้งใจเดินไปเป็งไงเครียดนะใครเป็นในเกณฑ์ยคยเป็นไหมโมอมว่าเป็นนะคือใครอะ นี่แหละนะเครียดนะทำไม ม, ม, มันถึงเครียดเราเ ค, เออเาคเรียดตัวเองอเอาคนบอกเครียดงานงนเครียดเพื่อนเครียดอะไรแเราแบบจะจริงเราเครียดตัวเองกัรู้สึกไหมเครียดที่เราไม่ได้ดัดใจบ้างเครียดที่เราวางใจไม่ได้บ้างเครียดที่เราทําไม่ได้อย่างที่ตั้งใจบ้าง เครียดนะปวดหัวนะบางทีนะปวดหัวนะแน่นนะอกบางทีก็ปวดท้องจะอาเทียนจะซึ้นใจตรงนี้ก็มีหรือบางคนทําไปเห็นแค่ใจนอกก็ดูแล้ว่าให้ปกติเบอร์เบอร์เกินไปเบอร์เอร์เกินไปเห็นใจนอกก็ดูนะใจแข็งเกินไปจะเห็นโยนไหม มันโยนเดินแข็งแข้งนะแข็งแขงที่ไม่เป็นธรรมาตนะินะบางทีบางคนก็เป็นอาการไหลนอกก็เห็นแต่บางคนเนียนนะน <c ười> ดูไหล่นอกไม่ดูไหล่นอกไมออกนะแต่ใจนะเขาหรือว่าเคร่เครียดมากนะเนีน่ยล อ, องลองลองคนนี้นะใครเคยว่าเดินชงกลมหรือว่านั่นยงยกมือ คิดจบแหลายเรื่องต่อนเนื่องกันเลยอือ <c oughs> อ่านะใสยเรื่องอะไรนะอดีตมันกูเรื่อ ง, นนะอองต่อไปถึงอนรราคตได้เลยนะแต่ิยายเรื่องตันได้ใช่ไหใช่หมแต่งเรื่องสั้นนะใส่ เ, เทพแต บ, บพระรังไมไม่มรีอกาสที่จะไม่เทพแต่เชระเทพใะ้ตองฟัง ม, มีนะอโอ้แต ภาษาไม่ใหม่มาเทศเก่งมากนะเทพหึงใจไม่มรู้จักจับไม้พูดตนน ร, งรงหน้าตอนหน้าก็เพ่อเทศขั้แรกต้องภาษาสอภาษาแล้วก็วมีมเทพก็ในใจเป็นเทศนะมืมเดินเดินกลมไปประเทศสอนแตเองไปนะคิดก็คิดว่าตัวเองเทพดีกว่าคุูบาอาจารย์นะมันคิดนะมันคิดไม่ใช่ความจริงนะมันคิดอนะ่ ความคิดมันหลอกเราหลอกให้เราสําคัญตัวว่าเก่งสาคัญตัวว่าดีสําคัญตัวว่ามีอไมนะไรเนี่ยมันเป็นความหลอกตราขนาดนี้นนะให้ความหลอกสารพัดในนะั้นสารพัดอย่างคอยรู้ทันมันเยอะๆนะกอนนี้มันหลงไปก็อย่าไปโทษตัวเองพวกนี้เป็นประสบการณ์นัะนนะไม่ใช่ถอามาไม่รู้นะแต่ที่ฟังคนอื่นพูดประสบการณ์นี้เราเออเราก็เคยเจอเหมือนกั น, นนะ แต่บางคนจะเป็นมากเป็นน้อยก็แตกต่างไปก็แล้วแต่แต่ถ้าติ่ฟังก็ทิคค้านั้นนั้นแหละแต่บางคนติดนานติดลึกกมีนะก็ติดนานติดลึกนี่ต้องระวังของคนติดวิดาโลติดความสงบติดปิติติดความรู้อะรนะพางทีไอ้ติดสิ่งไม่ดีนะพัวอย่างนัปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคนดี มันไปดีมไม่ค่อยติดถิงที่ไม่ดีหรออารมณ์ที่ไม่ดีเจอจะหนีอยากจะหนีอยากจะไปอยากจะไกลให้มากพยายามผักไสงแต่มันก็ทุกติดดีนี่ก็คุกง่ายแต่พอไปเจอไอ้ที่ดีน่าจะคูกไปเลยไอ้เจอที่ไม่ดีอยากจะดีอยากจะผักไสเป็นไหมไม่เอาตัวไม่เอารูปไม่เอาร่องไม่เอาแต่ก็เอาเหมืนนะเอาแบบไหนเอากับอืบ ออกจกมันไม่ได้แล้วก็เครียดก็โกรธตัวเองนะทำไมห้ามตัวคิดไม่ได้อล้ามันก็ด่าตัวเองก็เอาเหมือนกันแหละเอาเหมือนกันแต่พออารมณ์ดีเกิดขึ้นนะก็คุกไว้ทันทีอุดปาปฏิบัติธรรม้นโอมันมีจะฟุ้งต้านมีจะลงไปพอสงบสักพู่หนึ่งเสร็จสิ้นโอเคไหมยิ้มพอใจ น, นี่เรียกว่าอาทางปิติปิตินะ พอใจในความสงบไม่ชั่วข่าวพอใจในความสุขเกิดขึ้นชั่วข่าวนะันเป็นปิติมันพื้มปิติภาษาถ้าอยากจะพื้มอาจจะใกล้เคียงกับว่าปืนนะ้มปื้มใจอพืนะ้มใจนะมีความสุข น, น้อยนะหรือบางคนมีความสุขมากนะมีความสงบมากขึ้นนะแต่มันก็มีอาการตา่างๆประกอบลงไปด้วยอีกเมื่อเลียงไม่ปกติหรอกนะแต่เป็นอาการของความสุข อาการของด้านบวกอาการด้านบวกก็ชวนคนติอาการของด้านความรู้ด้านปัญญาก็ชวนก็ทําให้คนหลงมากเหมือนกันนะหลงมากดังนั้นอย่างที่บอกโยมผู้ชายคนดีดีความคิดไม่ได้คิดวิจารณธรรมานะก็อย่าเอานะคนนั่นแหละนะนอกจากคนที่จิตสงบจริงจรนะจิตมันสงบไม่อยากทําอะไรแล้ว แ, วแต่ไอ้พวกนั้นต้องมาใส่ันคิดพิจารณา ถึงข้อธรรมโดยเฉพาะเรื่องของต า, า, นะ า, า, ายนะพิจาณตายนะอันนั้นสำหรับคนที่จิตมันสงบแล้วก็ไม่อยากไม่อยากออกก็เลยอาศัยความคิดในการพาออกได้แต่ถ้าพวกเราถึงใจคิดมากแล้วจิตไ ม, มต่สงบรุนแรงนั้นนะอย่าไปคิดธรรมะนะไม่ธรรมะจะรุนแรงขนาไหนก็อย่าไปคิดธรร ม, มน ะ, มมมะนนมมเพราะคําความรู้ที่อะไร้เกิดจากการคิดธรรมะพิจนารณาอะไรก็แล้วแต่ เป็นความรู้จอมปลอมเป็นความรู้จอมปอมเป็นคล้ายๆปริญาาเกอ่ะอเอาใช้ไม่ได้เดี๋ยเอาใช้ไม่ได้เป็นรู้ปลอมที่เราสร้างขึ้นมาเรารู้ของเราเองนะเป็นความรู้ที่มันใช้ไม่ได้แต่สามว่าถูกไหมถูกแต่มันใช้ไม่ได้นะแต่บางทุสมันบางทีอาจจะผิด ก, ก็ได้นะบางทีอ สมาธิที่เรายังไม่ตรงมันก็อาจจะคิดผิดก็ได้แต่บางทีทำฟังมากๆอ่านมากๆมันคิดถูกแบบปอบๆนะก็ให้รู้ทันว่าอ้อมมันคิดไปไม่จะดีหรือไม่ดีก็กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาสร้างปติรู้สึกตัวก่วอนนะนะเบื้องต้นที่หลวงพ่อกำเคียดที่อาจาประจันพูเบื้องต้นคือความรู้สึกตัวมีปติท่านการไม่เจอความสงบ แม้เจออารมณ์ของสมาทิฏอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของความรู้อารมณ์ของปัญญาอะไัก็แล้วแต่ท่ามการพวกนี้ยเป็นท่ามกลางอาการปฏิบัติเราก็ต้องกลับมารู้สึกตัวจถ่ถล้ำไปกับความสุขแจะถล้ำไปกับปัญญาที่มันเกิดขึ้นะจะถล้ำไปกับอาการสําคัญตั ว, วดีว่าเก่งเราก็ต้องกลับมารู้ตัวบรรปายเป็นอย่างไร จิตแต่หนึงปกติอย่างไรอยู่กับสิตที่ไม่ ป, ปกติได้อย่างไรโดยไม่ติดความเป็นปกติอนะแา่ถึงบรรทัดไปก็ได้นะอนะแต่มาพูดไม่ใช่ว่ามาถึงบรรทัดไปนะนะนะแต่ก็ตามครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะนะนะก็ให้เป็นเรียกว่าสองข้อท่้นก็ย้ำไว้ตรงนี้ว่าเออมันเป็นาการเดินทางของจิตของเราที่ต้องไปใช้พัฒนานไปานะ มีใครถามอะไรมั้ยหนึ่งคำถามสุดท้ายก่อนไปนฉันเพรศไม่มีประการพระอันเป็นฉันเพรศอะระหังตัมมาสัมพุทโธปะตะวาพุทธังปะตะวันตางอิวาสี ทวาระโตปวะตาโมอาาารสุตติันโน